2. ทุติยภานวานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงเวสาลีตามพระอัธยาศัยแล้ว สเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินฑิกะขหาบดีในกรุงสาวัตถีนั้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัคีใช้น้ำโคลนรถภิกษุณีทั้งหลายด้วยคิดว่าบางที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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสงพึงประกาศให้ทราบว่าภิกษุนั้นไม่ควรไหว้